บัดนี้จะแก้ไขในอัฏฐะแห่งอุปาทานคขันธ ท, ทุก์ต่อไปตามอัตคขะาวิพังและคำพีพระวิสุทธิทมารกนั้นให้แจ้งโยคาวจรกุลบุตรผู้มีปัญญาปรารถนาซึ่งอริยสัจจะภาวนาก็พึงรู้เถิดว่าอุปาทานขันธทั้งห้านี้เป็นที่เกิดแห่งทุกข์อริยสัจสิบสองประการมีชาติทุกข์เป็นต้น มียามปิดชังนลพปฏิทุกขเป็นปริโยสารเพราะเหตุอุปาทานนขันท์ทั้งห้านี้เป็นที่เกิดแห่งกองทุกทั้งปวงมีชาติทุกข์เป็นต้นเปรียบดุดพื้นแผ่นปัตถีอันเป็นที่เกิดแห่งพฤกษชาติและเครือละดาชาติทั้งปวงประการหนึ่งกองทุกทั้งปวงมีชาติทุกข์เป็นต้นเป็นประธานนั้น ย่อมเบียดเบียนสังขารอุปท า, านนักขัทั้งห้านี้เป็นเนืองนิดนิรันต์ไม่เว้นว่างเปรียบดุดเพลิงป่าอันไม่ลามล้างตินชาติและพฤกษชาติและเครือและดาววันทั้งปวงอันเป็นเชื้อนั้นก็เหมือนกันประการหนึ่งวงกลมในเป้าหมายอันเป็นที่พุ่งหอกและแหลนเหลาและยิงธนูแห่งชนทั้งหลาย อันลองศิลปศาสตร์แห่งตนนั้นชันใดอุปาทานขันทั้งห้าแห่งเราท่านทั้งปวงนี้ก็เป็นที่มุ่งหมายแห่งกองทุกข์ทั้งหลายมีชาติทุกข์เป็นต้นคอยจะเบียดเบียนบีทายย่ำยีทุกเวลาราตรีก็มีอุปามาเหมือนวงกลมในเป้าหมายฉะนั้นโคนังวิจยะประการหนึ่งอุปาทานขันทั้งนี้ เรบดุดดังตัวโคตัวโคนั้นจะเดินไปณสถานที่ใดก็ดีจะยืนณสถานที่ใดก็ดีดังสมักราสาทิจะเหลือบและยุงแล ะ, มะแมลงวีเป็นต้นนั้นก็ติดตามตอมกายโคไปในสถานที่นั้นฉันใดก็ดีอุปาทานขันธ์ทั้งห้านี้จะจุติปฏิสนธิในภพใดใดก็ดีกองทุกทั้ง12สองประการนั้น ก็ติดตามเบียดเบียนบีทาไปในภพนั้นภพนั้นเป็นนิจจานิรัน์ไม่เว้นไม่ว่างไม่ห่างไม่ไกลตถาก็มีอุปมาเหมือนเหลือบและยุงอันติดตามโตัวโคไปฉะนั้นประการหนึ่งคาโมวิยะอุปาทานขันนี้เปรียบเหมือนดังบ้านไปตั้งอยู่ในสถานที่ใด มหาจนทั้งหลายนั้นก็คอยปล้นวิ่งชิงลักในสถานที่นั้นกองทุก12ประการมีชาติทุกและชราทุกเป็นต้นนั้นเปรียบเหมือนด้วยมหาจนทั้งหลายที่ติดตามเบียดเบียนล้างผลาญชาวบ้านชั้นใดชาติทุกชราทุกเป็นต้นก็ติดตามเบียดเบียนล้างผลาญขันทั้งห้าแห่งสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้มีอุปมาเหมือนดังนั้นเหตุดังนั้น โยคาวะจรกุลบุตรผู้มีปัญญาปรารถนาจะเลี่ยงให้พ้นจากกองทุกข์ดังพันนานามาชนิแล้วอย่ามีใจยินดีในอุปาทานนัขันทั้งห้าพึงพิจารณาให้เห็นโทษในอุปาทานนัขัทั้งห้านั้นว่าย่อมประกอบไปด้วยทุกข์ในเบื้องต้นและท่ามกลางและที่สุดเบื้องต้นนั้นมีชาติทุกข์เป็นรากเป็นเงามีชาราทุกข์ และพยาที่ทุกนั้นเป็นท่ามกลางมีมรณะทุกนั้นเป็นยอดสุดอุปาทานขันทั้งห้านั้นท่านจัดเป็นธรรมสองประการคือรูปธรรมประการหนึ่งนา ม, มาธรรมประการหนึ่งรูปขันนั้นเรียกว่ารูปธรรมโดยอัตถาว่าย่อมชิบหายด้วยวิโรธิปัจจัยมีเย็นแล้วร้อนเป็นต้น เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันทั้งสี่นั้นเรียกว่านามธรรมโดยอัตถาว่ารู้น้อมไปในอารมณ์ทั้งปวงมีรูปอปารมณ์อารมณ์คือรูปเป็นต้นโยคาวะจรกุลบุตรผู้มีปัญญาครันรู้แจ้งในรูปธรรมดังนี้แล้วก็พึงปรงธรรมะสังเวทในรูปธรรมนามธรรม ยุดนงงเอาเป็นอารมณ์จำเริญทุกขานุปัสนาภาวนาบริกรรมว่านามะรูปังทุกขังเกิดมาเป็นรูปธรรมนามธรรมนี้ย่อมประกอบไปด้วยชราทุกพยาที่ทุกมรณะทุกข์เป็นต้นชนี้ไม่เว้นสักคนเดียวอีกประการหนึ่งบุคคลที่เป็นปุถุชน ไม่ได้สะดับฟังพระธรรมเทศนานั้นรันทุกทั้งปวงมีต้นว่าชราทุกก็ดีพญาที่ทุกก็ดีมรณทุกก็ดีมาถึงตัวเข้าแล้วก็สะดุ้งตกใจโศการ่าไห้นั้นต่างๆบุคคลที่เป็นอริยาสาวกได้ฟังธรรมเทศนาแห่งตถาคตแล้วเมื่อทุกทั้งปวงนั้นจะมาถึงก็อาจจะรำงับดับลงได้ ด้วยปรงปัญญาพิจารณาเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายเกิดมาในโลกนี้ถึงจะมีฤทธามากสักเท่าใดก็ดีจะมีเงินทองแก้วแหวนสักเท่าใดก็ดีจะมีอิสริยยศบริวารยศมากสักเท่าใดก็ดีทุกเหล่านี้ก็จะได้เกรงได้กลัวจะได้เว้นได้ว่างจะได้เว้นหน้าสักคนเดียวหาไม่ได้มาถึงทั่วทุกตัวสัตว์สิน้น ตัดสมาเหตุดังนั้นแหละตถาคตจินตัดเทศนาว่าทุกขอริยสัตว์พระอริยเจ้าทั้งหลายนั้นท่านเห็นกองทุกโดยแท้เป็นความจริงของพระอริยเจ้าอีกประการหนึ่งสมเด็จพระสันเพชรพุทธเจ้าก็ดีพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ดี ท่านยอมตรัสรู้ทุกขอริยสัจทั้งปวงด้วยพระสยามภูญานคือเห็นด้วยปัญญาของพระองค์เองแต่พระอัครสาวกก็ดีพระอสีติมหาสาวกก็ดีพระปกติสาวกก็ดีท่านได้รู้ได้เห็นกองทุกเหล่านี้ด้วยสุตตมยาญาณเพราะว่าได้ฟังพระธรรมเทศนาจึงได้รู้ได้เห็นโดยแท้เหตุชนิดล่ะ สมเด็จพระทศพลยานจึงประธานธรรมเทศนาชื่อว่าทุกขอริยสัตว์เป็นความจริงของพระอริยเจ้าดังในยะพันนานามาชนี